ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก1นึกการบัญญัติความสุขในพระพุทธศาสนาการเลืออนนำข้อความตอนนี้มาแปลก็เพื่อชี้แจงหลักวิชาทางพระพุทธศาสนาที่แสดงว่าความสุขมีเป็นขั้นๆตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงสุดถึง10ขั้นคือความสุขในกามความสุขในรูปฌปานสี่ความสุขในอรูปฌานสี่ และความสุขในสัญญาเวท้าตนิโรธสมาบัติในการแปลจะแปลอย่างเต็มสำนวนเพื่อให้เห็นลีลาของอารมณ์ฌานทั้งที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานอย่างสมบูรณ์ดูก่อนอานน์กามคุณห้าเหล่านี้กามคุณห้าเป็นฉนหนกามคุณห้าคือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันหน้าปราธนา หน้าใครหน้าพอใจเป็นรูปที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดเสียงกลิ่นรสผลทภพะคือสิ่งที่พึงถูกต้องได้ที่พึงรู้แจ้งทางหูจมูกลิ้นและกายอันหน่าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจเป็นรูปที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัดดูกรานน์ นี้แหลคือกามคุณห้าดูก่อนอานความสุกกายสุขใจอันใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการมคุณห้าเหล่านี้ความสุกกายสุขใจนี้เรียกว่ากามสุขดูก่อนอานคนเหล่าใดพึงกล่าวว่าเขาย่อมสวยความสุกกายสุขใจอันมีอยู่นั้นนับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนอาณ น, น์เพราะยังมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าประนีตกว่าความสุขนั้นดูก่อนอาณ น, น์ความสุขอื่นที่ดีกว่าประนีตกว่าความสุขจากการมาสุขนั้นเป็นชนดูก่อนอานน์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม สงัดจากอากุศลธรรมเข้าสู่ฌานที่หนึ่งอันมีวิตกคือความตรึกวิจารณ์ความตรองมีความอิ่มใจและความสุขคือปีติสุขอันเกิดแต่ความสงัดอยู่นี้แหละอานน์คือความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีตกว่าความสุขจากกรรมสุขนั้นดูก่อนอานน์คนเหล่าใดพึงกล่าวว่า เขาย่อมสวยความสุขกายสุขใจอันมีอยู่นั้นคือสุขในฌานที่หนึ่งนับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนอานน์เพราะยังมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในฌานที่หนึ่งนั้นดูก่อนอานน์ ความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในชาญที่หนึ่งนั้นเป็นชนหนดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะสงบวิตกและวิจารณ์คือความตรึกและความตรองได้จึงเข้าชานที่สองมันมีความผ่องใสาภายในมีภาวะแห่งจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกิดขึ้นไม่มีความตรึกไม่มีความตรองมีความอิ่มใจและปีติสุข อันเกิดแต่สมาธิอยู่นี้แหลอานนท์คือความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในฌานที่หนึ่งนั้นดูก่อนอานนท์คนเหล่าใดพึงกล่าวว่าเขาย่อมสวยความสุขกายสุขใจจากสุขในฌานที่สองอันมีอยู่นั้นนับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเราย่อมไม่รับรู้คํากล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูก่อนอานนท์เพราะยังมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในชานที่สองนั้นดูก่อนอานนท์ความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในชานที่สองนั้นเป็นชไนดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะคลายความอิ่มใจจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ เธอสวยความสุขด้วยนามกายเข้าสู่ชาญที่สามซึ่งเป็นเหตุให้พระอริยเจ้ากล่าวถึงผู้เข้าชาต น, นี้ว่าเป็นผู้วางเฉยมีสติอยู่เป็นสุขนี้แหละอานน์คือความสุขอื่นที่ดีกว่าประนีตกว่าความสุขในชาตที่สองนั้นดูก่อนอานน์คนเหล่าใดพึงกล่าวว่าเขาย่อมสวยความสุขกายสุขใจ อันมีอยู่ในสุขในชานที่สามนั้นนับเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมเราย่อมไม่รับรู้คากล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนอานน์เพราะยังมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าประนีตกว่าความสุขในชานที่สามนั้นดูก่อนอานน์ ความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีกว่าความสุขในชาตที่สามนั้นเป็นชไหนดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะละสุขละทุกได้ละสุขกายทุกกายได้เพราะโสมนัสคือสุขใจโทมนัสคือทุกใจดับไปในการก่อนคือสุขทุกดับไปตั้งแต่อยู่ในขณะแห่งอุปจาระเกือบจะถึงชาญที่สี่ เพราะสุขใจทุกใจดับไปในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่มีทุกไม่มีสุขมีความบริสุทธิ์แห่งสติอันเกิดขึ้นเพราะอุเบกขาความวางเฉยนี้แหละอ น, นุ์คือความสุขอื่นที่ดีกว่าประนีตกว่าความสุขในฌานที่สามนั้นคนเหล่าใดพึงกล่าวว่าเขาย่อมเสวยความสุขกายสุขใจอันมีอยู่ในฌานที่สี่นั้น นับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนอานน์เรายังมีความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีตกว่าความสุขในชานที่สี่นั้นดูก่อนอานน์ความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในชานที่สี่นั้นเป็นชไนดูก่อนอานนน ภิกุในพระธรรมวินัยนี้เพราะก้าวล่วงความกาหนดหมายในรูปหรือรู ป, ปรสัญญาด้วยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งความกาหนดหมายความกระทบกระทั่งหรือปฏิฆาสัญญาได้แก่ความกาหนดหมายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเมื่ออารมณ์ทั้งห้านี้ผ่านมาทางตาหูเป็นต้นเพราะไม่ทำไวในใจซึ่งสัญญาต่าง ทำไว้ในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเข้าสู่อรูปฌานชื่ออากาศสานัญจายตนะอยู่คือมีอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์นี้แหละ อ, อนนท์คือความสุขอื่นที่ดีกว่าประนีตกว่าความสุขในฌานที่สี่นั้นดูก่อนอานอนท์คนเหล่าใดพึงกล่าวว่าเขาย่อมสวยความสุขกายสุขใจ อันมีอยู่ในอรูปฌานชื่ออากาสานัญจายตนะนับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเราย่อมไม่รับรู้คากล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนอานนนเพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขนั้นดูก่อนอานนนความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในอรูปฌาน ชื่ออากาสานัญญาตนะนั้นเป็นฉนยัยดูก่อนอานน์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอรูปฌานชื่ออากาสานัญญาตนะด้วยประการทั้งปวงแล้วทาไว้ในใจว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เข้าสู่อรูปฌานชื่อวิญญาณนัญญาตนะอยู่คือมีวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์นี้แหละอานนท์ คือความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขในอรูปฌานชื่ออาการสานัญจายตนะนั้นดูก่อนอานนท์คนเหล่าใดพึงกล่าวว่าเขาย่อมสวยความสุขกายสุขใจอันมีอยู่นั้นนับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนอานนท์ เพราะยังมีความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีกว่าความสุขในอรูปฌานชื่อวิญญาณัญจายตนะนั้นดูก่อนอานนท์ความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีกว่าความสุขในอรูปฌานชื่อวิญญาณัญจายตานะนั้นเป็นชนไหนดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอรูปฌาน ชื่อวิญญาณัญจายตนะด้วยประการทั้งปวงแล้วทําไว้ในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีเข้าสู่อรูปฌานชื่ออากินจัญญายตนะอยู่มีความกําหนดหมายว่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์นี้แหละอ น, นุ์คือความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีกว่าความสุขในอรูปฌานชื่อวิญญาณัญจายตนะนั้นดูก่อนอา น, นุ์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 ชื่ออากินจัญญายตนะนั้นเป็นชนหนดูก่อนอานนุนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอรูปฌานชื่ออากินจัญญายตนะด้วยประการทั้งปวงแล้วเข้าสู่อรูปฌานชื่อเนวะสัญญานาสัญญายตนะอยู่คือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี้แหละอานนุนคือความสุขอื่นที่ดีกว่า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 ดูก่อนอานนท์ความสุขอื่นที่ดีกว่าปรานีตกว่าความสุขในอรูปฌานชื่อเนวสัญญาาสัญญายตนะนั้นเป็นชนันดูก อ, อานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอรูปฌานชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วเข้าสู่สัญญาเวทอยตนิโรธอยู่คือสมบัติที่ดับสัญญาและเวทนาเป็นสมบัติสูงสุด ที่พระอนาคามีกับพระอาหารหันต์เท่านั้นทําให้เกิดได้นี้แหละอ น, นุ์คือความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีตกว่าความสุขนั้นสรุปความดูก่อนอา น, นุ์มีฐานะอยู่ที่นักบวชเจ้าลทัทธิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมกล่าวถึงสัญญาเวทอิตานิโรธ ย่อมบัญญัติสัญญาเวทาอิตะนิโรธในความสุขข้อนั้นคืออะไรกันข้อนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรกันข้อความนี้หมายถึงสัญญาเวทาอิตะนิโรธดับความจำดับความรู้สึกแล้วจะว่ามีความสุขได้อย่างไรในเมื่อไม่มีความรู้สึกดูก่อนอานนท์นักบวชเจ้าลทัทธิอื่นผู้กล่าวอย่างนี้พึงเป็นผู้อันท่านชี้แจง ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคย่อมไม่ทรงบัญญัติในความสุขหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาอย่างเดียวในที่ใดๆย่อมหาความสุขได้ในฐานะใดๆมีความสุขพระผู้มีพระภาคย่อมทรงบัญญัติฐานะนั้นๆในความสุขข้อความจากสังยุตติกายสลายตนะวัฏ จากพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าความสุขมีเป็นชั้นๆพระพุทธศาสนาแสดงความสุขหมดทุกชั้นตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงแต่ก็อาจย่อความได้ว่าเป็นสุขชั้นเวทนาคือรู้สึกได้เสวยได้อย่างหนึ่งความสุขที่อยู่เหนือเวทนาไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องเสวยอีกอย่างหนึ่ง